โมกคลาสาเดบุตรออกจากสวนชัยนานตบุตรมาเลื่อมสภาษพระอาทิเมื่อรลื่อมสพระอาทิกยก็ทศกัณฐเลื่อมสพระพุทธธรรมประสงค์แล้พระอาทิกยก็เลยเทศเอาได้พระโสดาบันนั่นนัต้องมายอมมายอมเลื่อมสายศาสนาพุทธเสียก่อนจึงถึงพระโสดาบันได้ เาราละดาบาุตอุทะกาดาบุรามาบุตรยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นจึงตายคาภาวนาไปเกิดในอรุ ป, ปรพรมมีแปดหมื่นสี่พันกับพระบรมศาสดาเชียดได้เนอเชียดได้เนาถ้าเรามาเจอนี่ก็จดําเดิดก็สวดดาวันตายไ ป, ไปซะหน่อยอแกนั้นจุดแรกแล้วบอพันเจ้าขี่เข้าใจไหมเคยฟังนะเคยฟังได้นาะเออเคยฟังเคยได้ยิน ป่ะไปกันไปเอาผู้สนใจเนี่ยทำเาหลวงปู่ไม่อดคำพูดผู้ขึ้นมาหาเรขขื่อขาผาเนหลวงปู่ชอบกลับว่าถือค้อตอกสิวมาใส่หัวหลวงปูนะ่นาะถ้าเรามุ่งปฏิบัติเพื่อพ้อนจากกิเลสแล้วปัญหาไม่มากแล้วถ้าเราปฏิบัติ เพื่อลาบยศฉันสือนอะไรต่ออะไรปัญหามันก็มากเพื่อเราถ้าเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นะว่าตัฏองสารในปัญหามมา ก, มากนเนอะพอเห็นว่รราัฏสงสารเต็มไปด้วยทุกข์จะปาดชนาโลกอะไรมันก็ไม่มีนี่เพราะมันเห็นชัดเพราะลมหายใจเข้าออกนั่นเพราะปนะของมันก็คลายออกได้จริงมันเห็นชัดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยเพราะลมหายใจเข้าออกด้วยพราะความคณาคิดซนักคิดด้วยนะถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้ว มันจะไปทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงจนไม่มีเบสมันก็ไม่มันก็เป็นไปไม่ได้นั่นนั่ น, นั่ที่ปัญหาของมันก็น้อยลงถ้ามันจะแข่งดีอยู่กับโลกเพื่อกูจะร่ําจะรวยมีเครื่องบินอะไรอันนี้ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรทรัพย์สิ่นคารบริวารอะไรต่ออะไรปัญหามา ก, ก, มากทําไมจึงปัญหามากเพราะกิดเลี้มากกว่ปัญหามากถ้ากิดเลี้น้อยกว่ปัญหาหน่อยใช่ไหมหนักปัญหามาก ปัญหาเลขม ก, ก, ม ก, เกมากมากยเดียมากโรกพระบรมศาลาสอนเหมือนกันขอให้ลูกในสิ่งที่ชอบอุทษาตาวินทะเตตนางคนมันย่อมหาทรัพย์ได้พระบรมศาลาไม่ได้ห้ามเนอให้มันในทางที่ชอบอ น, นั้นมันในทางที่ผิดเห็นทิ็นชอบเห็น เห็นกองกากว่าเป็นนอกบัวเห็นเจ้าหัวเขาไปผูกอเลขนั <landed> er ่นแต่เล็กก็ยังไม่รู้จักว่ามันชิบหายธรรมะชั้นสูงทําไมถึงจะรู้ได้นี่มันเรียไก่ทิ้งซักตูมเลยทิ้งเลยตูมเลยไม่ได้ทิ้งยากหรอกทิ้งตูมเลยไม่ได้ทิ้งยากถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งยากเนอะน้ำลายเหมือนกัน ถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่ามันมีไม่มีประโยชน์แล้วใครจะเสียดายเอาคืนมาบ้วนทิ้งแน่ผมันก็แล้วไปนั่นนี่ถือว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันกรทิ่งไม่ได้สินั่นเนี่ยมันฟ้อนเขานี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันกรทิ่งไม่ได้สิถ้าเห็นว่ามันเป็นทางทางขี้หานอายุมันกรทิ่งเพลิงเลยเนี่ยไม่มีใครบังคับเนยสียงห้าก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่มันกรทิ่งไม่ได้ถ้า อมันก็ไม่ทิ้งถ้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่เวียนแต่ไฟเต็มอยู่อย่างนี้มันก็ทิ้งเข้มเลยไม่มีใครบังคับนะมันมันมีอิสระในมันเลยเนื้อมันเป็นสันทิ่กโกเห็นเองถ้าในใจโกธาตุเน่เจ็บ้วเรื่องทุกมันเห็นชัดๆแล้วมันก็ทิ้งเองมันเลยนนใครจะมาหลอกมันมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไม่เป็นเป็นนกเป็นปลาถ้าเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาด เราไปคิดเด็ดคิดแล้วที่นายพานเขาปล่อยเราไว้นายพานปล่อยเรอไว้ก็คือโลกความสวยความงามอันล่อให้บุรุษหลงเรียกว่าเจ้าประลมโลกเรียนเท่าไหร่ด้วยวัดใจม่ือโต ก็วัดน้องกองไปกันกับมันทันอินบ้าไกเยอะหนะเอาช่เพียนมาไกลหนะเออนี่ยนอเตนกอเขตจังหวัดอุดรช่างเพียนาเยอะเยอะนอเขต มันถือนกไข่วัดถวัดในเืองข้ so well. าว่ัดะพุทธวัวัทาสเือข้าววัดโยไก่โยกไก่ใช้กรตามจางข้นจางไม่อเพืทำประงค์่องช่องเขาองจอยูยแต่ว่ายกไก่กันโดยทําแนเจ้าอยู่ก่อนไกกันขอฝานนนี้กระตาม พวกเขาเราแบ่งถือว่าคนกระทําระสงค์ูต่เดี๋ยวก็เป็นมู่เดียวกันเนื้อัวพอคนโจนคนมานที่ประเทนากันจะเคลียกระทำยุ่การกันคอฟ้ากระทแล้วยุใกล้กันเดียวก็มาพึ่นเดียวกันพเรื่องสีย่งมาพึ่งเห็นทายังคนประเทศเไม่กาก็ตามแล้วเอรประคุณพระธรรประสงู เันานเหนียวน่ากันยักเถื่อคือเราคุใกลนกันโดยถ้ำบอกพ้นผ่านอกพ้นโจนพ้นผ่านยุกขอบผ่านได้รินสากระาคือยยุกใกล้กันกับขวนปรพฤด์พาเจ้าจออกไดว่าสัแล้วหลงเขาม่ท้องทางท่างดีนั่นจักตัวหนึ่งท่านดีนะท่างโรุตละแบ่งออกเป็นสี ดีทางพระสวสดวันสักท่าคามีอนาจ้ามีอนหน า, าอหารดีด้ทางตวัวกัแบแมงออกก็ ก, ก, ก, ก, กัมนรัฐเจรินสารเผด็จร่ากายรันรกมนุษย์จวางกลกาง เราคุตนราของประจากมนุษย์เพรากนั้นเราเราเชื่ัาประาชมนุษย์ก็มนุษย์เป็นผู้ที่เป็นไป เป็ น, มนโมนาโกเดิมโมนาเดิมท่อมดีก็ไมี่ใจเป็นข้างหนาท่อมชัวก็บมี่ใจเป็นขังหนาแล้วเป็นนายทุนต้องสอนเราคือทนะ ว้อนน้ยืนดีนะกัอนล่งกิเร็ดแต่พอเนี่ยค่ายออกตลอดทั้งเดือนยังห้ไปกินเร็ดว่าจากใสรเขาว่าจากคิดจับใจมันต่างบ้านท่างเมืองใช่ไหมต่างบ้านทางเมืองยี่อกได้ โลโก่งอะสนิมมันตางบ้านตังเมืองไส้ใช่ไหมกาบ้านัางเมืองก็เล็กผันโมไม่เล็กกับโมสนิมผันโมไม่สนิมกับ่มไม่เล็กเล็กดีผันโมไม่สนิมเล็กก็ดีผันสนิมผันไม นิเรเพืเปียบเหมือนตอนนอ้นไม้อเพื่อเพือเปียบเหมือนเครื่องิตใจเพื่เปียบเหมือนต้นไม้เครื่อไปเกี่ยวต้นไม้ตัดเครื่อออกโคลนเครื่อออกมาเหยังจะต้นไม้ยังประคุ่มร้ายมาเหนเนี่ยอาหารเนี่ยต้นไม้คัดเลือกออกมาเ ถ้าจะเลี้ยออกอเฮ้แล้วจะเก็บเฮ้อันนี้ว่าเป็นเครื่องคัดมันก็ไม่ท่านะวัดศรีวัดภาวนาวัดนอกจารคัดบ่ออะไรคัดกี่เด็ดตันี้ตะเฟืองมีมท่านสงสเป็นหัวหนา้า นอกจากใจพกผู้ใดดงขผู้ใดติดตาควบดีใ้ใจได้นอกจากควโซ่งผู้ใดติดตาให้เใใจได้ทานี้ใช้ใจยางบอนก็บอกว่าไม่ใจใจไม่ร้ายดวงนะครัสรุเจ้าคิดไว่านันเปนตัวกบอกว่าใจไม่รวมเดี้ยง ว่าดีเกิดมันเปลี่ยนสีที่อสื้อเหมือนผ่านเดิมเดิมมันที่มันขาวงอนสีแดงกับว่าแดงงอนสีเขียกับว่าเขียวเราเสีดักกับว่าดำาเทากพืดเพื่อหายกเลสพนค่ายไปปัญหากับว่าร้ายพืชพวกมันจังพืดในาืชมาทมาสงมาเทา ปวัตเพื่ออะเพื่อยงาเพื่ออะไรสสวรรเพื่ออนไรเจ้าอะไรปัญหาตัวไรปัญหามันเป็นยังไงตัวไรกิเลสเท่าไรปัญหามันกหลายมันกิเลสเท่าอะไรปัญหากาบ่ะไรมันข้อมววงเนี่ยวัตถุสงสารเนี่ยมากกิเลสกับตองมากขันขอมวงหวังในควอมนทุกข์พ้นจากกิเลสไม่มากย ก็จก็จะหน่ยลงใครเป็นผู้ชนะคนที่เขากิดเป็นผู้ชนะจ้าของเลยอ่ะตรงนี้พระรามจำของเดียวแล้วนอกก็นั่ก้นนังกัะถือแค่่จ้าของจะบฟาสุสก็ทีนโน่นก็สวดาวันเนี่ย ชนะเจ้าขอมาเป็นตอนตอนสนะกี้เลมาเป็นตอนตอน ย, อย่างงามสนะแล้วขี้เลนคุ้นชื่อคนหนานการขาดทัด ร, รักษาเพราะพิษในกามสนะแล้วว่าขาวดขึ้นการดืมสุราไม่ไดก็สะแล้วว่าขบดขึ้นพระโสดาบันการ ถือพระพุธยิยนดีในพระพุทธธรรมประสงค์เชียงเดียวไม่ได้ยินดีในศาสนาอื่นศาสนามาแล้วพยินดีในศาสนาอื่นไ่ยินดีในศาสนาอื่นไดู้พระเจ้าปนโนูที่ปโนเป็นพรมาจฏราชบงตทนของพระพุทธศาสนาขันตำลงกนั่นเพิ่งขยังมหันวายงมาท่านเข้าถึงเหมือนแทอเพียย ลูกแค้งลูกขาคือเนมันงองกเปิดปักตูโลกุตละมาท่านใดน้องเปิดโลกีอยู่เปิดปักตูพันิผ่านเน่ท่านใดถึงว่าเสาวันนึเปิดพกตูพันิผ่านได้ละเหนื่ยเอาท่านเดียไปถึงบ้านสวนกลางหรือบ้นทุกแแห่ได้เขาหวองหองแล้วชี่รถค่าเดียวกันแล้วไม่ได้ยึดนั่งยึทั้งน้า ซังซังรัว่าไม่จะเต้นคนโอ้ <g ill ly> สนโรดขี <g ill ly> ้เครื่องเปียนกันยื้อแถวนาพุา่นสมัยเดินน้ำกันกันก่นละ่ะขี้เครื่องเปียนยือ้อแถวหนามันพวกอลาน มันเดินไปนกำฝนพวกแค่นาวพระหัสงแล้วต่อมามันพระหน้าข้ามีต่อมาเนี่ถ้ากษะค้ามีพระตัวดาวน้ำฝนงูแต่ละฝั่งละฝั่งกับสั้นช่วยดาวน์กับดากน์ล้านนทั้งพระทั้งเม่นทั้งหยาดทั้งงงพอทักษะข้ามเนี่ยนะข้ามเนี่ยจะจัดอาณาจัก ถ้าฝ awesome. ันน uh. ั ah ้นก็มีเพียงมีเพียงเขาหัวหันขนหัไปทางก็ห้องก็กลแยดนะมวยอาเขาขนหวนี่ตลอดทั้งมนุษย์เพราะหันกลายไปมนุษย์ใจมันเป็นีเป็นผีอยู่เพราะว่หันถึงเขาพทธาษสองเพราะว่ายังหันถึงสุปาษิตปโน่บาข้าวค่ะเดี๋ยวใช้พระพุตตะเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆเจ้าบ้าบาข้าวคัะ ไม่เครดิตคะขร้นได้หรอกหัวพวกเนี่ยบุกระหามบ้ากระหิวพวกนี่ยบางสุขสุขันโนเลยบางยามยาวทิมหรบ้านเนี่ยหิจะบุญหรือบ้านอันยายาวตั้งนักทิมทิมหรอันนักเอามันอานักนักเอมาแบกไว้มันปักบาปักงัง พิษรับบายยัุ้มเลยพิษกัพิษปักูล่ะปักควบโซ่พิษแล้วพิษแก่ัวใจกับฟอะเลิษตวเไสอสุรายกับพิษแล้วนักนรกกับพิแล้วนักเชากับพิษแล้วนรกคุมยังไงพิษแล้วพิด่วยังไงพิดห่แล้ว เอไมก็วัเสดายจากเห่นเลยอากัจโน่พกันโขกันมันเสดายจากเห่นเลยามันผิดเห็นเห็นดึงแล้วเห็นดึงมันไม่จะขิดส่วนเดียวเพามันขีดหายเสนเดียวดึงังนึก้นมามันขีดหายเสนเดียวเดีวขวัตเสดายจะทาอันที่หา เป็นลักเกลักกายเพาแห้งแล้วเ น, นก็พุทธธรรมสงก้มเกินกับพะนางเพราะว่าถิคือี่ศาสดาอื่นไม่ได้สงสัยว่าถิ่ืทอ่ศาสาดาใดจะเสียไม่สงสัยว่าสิลวงลระบบที่เสีอว่ามากคาื้นแล้นไล่ท่องถิ่ววเนี่ยวาสดาร์เอาขึ้นมาจากปากทังนั้นเสดา ย, ยากเอาจะลวงละดดวระบบที่เสียเขาโบมัน นี่เนี่ยทดสอบอยังง่ายก็รนั่งเห็นว่าการร่วงละเมิดสินหาในการกัฒน์วัดสินหาเนี่ ย, ยมันจิตกเสียตายแล้วถึงมันจะพูดจิดนี้อังล้ว่านนั่นยังว่ามันพูดมาสดามันถือว่ามีสินหาบริวูนถือว่าพระุทธามส้ถือว่าบริวารเต็มใจโลกภาแล้วบางอย่าตายถือว่าคิดใจนับมือสีสูงขึ้นถือว่ารัพย์ผานอกนานอกและผานไกนับมือสีจะเริ่มขึ้น คสือทรคนนึงดิลงไปนั่นสันไ่ได้ว่าสอิดตายสียาตายแต่เขาใช่ว่าถึงรโสดาบันแล้วนะมันสืออิดสียาตายนั่นเลยเขาไปตู้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโง่ตายคนเสืออิดสียาแทะเขาบ้าสอนแห่งประเทบัตส์เขาว่าไปตู้พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนโง่พระพุทธเจ้ารู้ดีแล้วว่า สัวสัต์ทั้งหลายเดี๋ยวโลกก็จะรับษาแล้วนี่สัท่าสับเป็นต้นนี่ความระอายตาบาบนี่ควมงปวดตาบาับหมดเป็นคนค่อยอยเ้ย็นี๋ยวข้างนจำทรงเคลไดลับวิทยาได้แล้วบางคนรู้จักหายท่านแล้ว นค้อนหุงจักนคนหักปัญญาเลยจักเึ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์แล้วเปิดเปิดคุ่มซับแล้วอะไรอะซับแล้วต้องฝ่ายนอกฝ่ายในวัมันซุกเอาเขากินอ น, นี้เลือกเฟ้นเป็นแล้วขคนางานถึงคนแล้ว เพราะว่าแ่อันได้พอร้องปากรบายเขาลดมันสิเป็นก้างบมดหรือจเป็นพิษหไดาวา้ว่าอุปมาว่ามันเท้หันเนี่ยหุักษละของที่เป็นพิษบ่าเป็นพิษหุยยักษ์กล ะ, าาะาาน้มงวัดพัฒนารามเสียแรงมากนะครับที่สอบรูอประสอบหุักไม่ค้าขายเรองอาหารไม่ค้าขายมรน่องไม่ค้าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตว์พิษตัวข้าเป็ีนอาหารไม่ค้าขายน้ำมันไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายเหล่านี้เป็นข้อห้าม ของสุภจรปนโนมาให้ประกอบสมบัติของสุภจรปนโนมีอยู่ข้าะการเมื่อความเวทศชาเชื่อในพระพุธทธธรรมพระสงฆ์ไม่เ ช, ชื่อมงคลสื่อขาวเชื่อกำเไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเศษบุญนอกพระพุทธศ า, าสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาสุภจรโนตั้งต้องตั้งอย่าสมบัติข้าะการและเวมอยากรวิบัติข้าะการซึ่งตรงกันข้าม ถึงสูบปจจุันโนแล้วสูบปัจปนโนคือพสขะาค่ามิยาญาปัจจโนคือพะหน้าข่ามิสามิกีปัจปุนโนคือพระหันก็เปิดวระสูจา้างปางแ่อรดไปรั บ, บรับรดบ่สงสัยบ่แวะสายและบ ว, วอับอันท่านีเลยย่งางสายย่างไหวน่อเพิ่มหน่อยพอเพด่มากเพระว่าสงสัยว่าจะซอยหลังพอทำแล้ว และยามว่าหอดทำนะบริยนนเป็นอนนันยัตโต้บุคคลคือมาแน่นอนบางทีก็ไปสอนบ้างบางทีก็ไปมนุษย์บ้างบางทีก็ไปเทวโลกบ้างพรมโลกบ้างแต่แต่เป็นสวรรคโลกีแต่เป็นพรมโลกีแต่ท่้นเป็นโลกเทวบุญนั่ย บนแน่นอนพระจ้าดาวันทักท่าค้ามี่อ น, น้าค้ามีก็มีบาปอยู่ถ้าหาม่ามันบาปอยู่ภาพอะไรมดโกเพราะเนเป็นโรคคุตละบาปมันควรคิดเล็กๆหน่อยหลวงพ่อจะใส่ตโตโตใส่ขวดมลวงพ่อจะเอาไปใส่คุกใช่ตลาง เขาไม่นักโทษควายออกมาทำการทำงานได้หรือไ่มีนายปุ่มไม่ใช้โซ่กันว่าเขาเทียบที่งวันได้งค่ยเขาควายออกมาได้เขาขอเขาซ้อนเราเองว่าจอดปัญหาเมื่อกี้กล้าเห็นมูกเขาเขาขับขับท่านี่เห่าด่วดมากเลย ม, นน ม, มันมันแนบไปส่งเสริมอโยบายมุกน้พระเจ้าคุณได้ไปส่งเสริมนโยมายยมุกน้ำหนาน้ำนมน้าผู้พระเจ้าเล่ผู้นั้นสืบว่าลาดพัดสากรสาเดินอยู่กับพ่อห่าเดินก้มผ ม, มกุขนลมโลนก็หินเขาสักเทียกะกระตามนางพ่อร่าฉันเล็บมือ ง, งอกออกทะลุออกถค่คนกระตาม นางวัดปีวัดศาสตร์กระซ้าวักกินเขากระตำนี่อมฮัถึงสุโคเชปานโนเป็นโลกกีเพื่อภาวนาหาลาบตั้งหกักเพาาื่ภาวนาเพื่อจะให้กิเลสค่ายออกภาวนาหาลาบหรือปฏิบัติหาลาบ ผลงาหผลงานคงอนกระทำแต่ยังไม่ใจปฏิปัติในอบายยมวกระอบายยมวิก็กลวงเลยเมื่อยง้งนังสุรานัเลงในการขาดนั้นก็คนที่ออกมาเก็บขั้นทำงานในทางที่ชอบเองเงินเขาจข้อขาทวนว่า พูดไปทั้งสุก ข, ขตินับจะะสวดาวอังเกินไปนั่นทั้งร่างประตรานับพิบายทั้งพิษกับพูดไปทั้งถึงใ้ตอนนี้อันได้ร้ายไปส่ะ เอามกไปมขีดม el <ose mates grows arbeiten> ึง <Down true> ูันเมอกปขีดเนี่ยขีดฟุ้นเนี่ยวาฉันกปุ๊บแล้วเอายกขึ้นมาให้ฉันสุมสุมติดเมื่อนี่มันจะไปวะฉันนนสุมแผ่นดินมูนเนนี่มันไปใช่หมวะฉันโออเมรนกายาดวันมองวาฉันแผ่นดินทักแผ่นดินเนี่ยวะฉัน เอาเงนเดียไปค้มหนิว่าประจิตขึ้นมาไทยนะไม่ถนัดหรอกท่านกับเขาง่คเขาขนงอเนี่ยมันลายท่านทันบวกตัวง้อเขาบวกขนเขาขึ้นกันถนัดัรือเป่านั่นท่านกับเห็นอน้าหนใจอยู่เลยข้เหตุที่ท่านคิดว่าเขากจะเป็นเหตุท่างจะเลิศด้ดิ เขาจะพิดบัรยัตพิดจู้อะวเมื่อมันยัตพิสเราก็ต้องไปามบัรยัตเจ้าของอลยไปทำความเห็นเจ้าของเลยเพราะว่าได้เอาคาสอนของเจ้าเป็นดินอะาจจะโนวมนดเราความเห็นต้องเกิดป็นดินหรือเอาความเห็นของเข้าโลกเป็นดินอะไรกันเพราะาโลกส่วนมากค่ะมันไปทำิดเด้คนละครับผไปทำศึ่งขาไมเพียงเขาง้อเนี่ยาทันเพาะเห็นได้อ่ะราเห็นจะสั่งมาแล้วยัง ย่างโมเสสเดือดตื้นย่างยางหนาอะไรย่างโ่เสามาติสนเข็มใดเมื่อโมเสามาติสนเข็มใดกับ่มสามาริยิปผาไดพระองค์นะแล้วเข็มกับอะไรสิปผาอะไรยังไงบ้างนะมองเห็นหงส์ันหลับพระองครน่เงี้ยหน่อยจะไปรักบอกได้เขาได้เจาะันอยาไเนี่ยหน่อยว่าฝันน mm ี hmm. ่คือตัวปฏิวา เน่ยสฝันคนนอนมาฝันตัม่หรอกเนี่ยเอู่ตัคาฝันไปทางภ า, าวนาว่าท่นเนี่ฝันไปทางภาวนาไปจางไหนเนี่ยแน่นอนไอ้ั่นโอ้ยแค่ใช่ว่าเอ่านเ้ามุจค่อยจอบเอาจะผูกเอาจะเลขกไปก็พอแล้าาวว่าท่น เ, นเอ้าเห็นกงจักวาแมนดอกบัวเห็นจะหัวเป็นแบบผูกเอาเล็ก ที่หายเป็นอนเนกอ้นอนมองมเหนผิดจากของมันเบียดเบือนตัวเอง เ, ออเบงเสสีดเบือนจากของเป็นไม่ซ่าสิถีเ็นิดจากคำว่าห้อถ้ำมึงยักความหมายคำภาษาศาสตร์เลยนะคาสอนไดๆในไตร ล, ลกักนณ์มันบ่ดีคําคำสอนเราคุเจากเขาเลย คำสอ น, อสอนของระพุทธเจ้าสอนทั้งฆราวาสอนิสาเดรสอนทัเทวบุตรเทวราชสอนทั้งระหันสอนทั้งะสวดวัท้าวขวเียาเมื่อังทรงระนามมาับสาเทีวสานังโดผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลา ย, ย่เป็นที่เกิดของโลกในย่างเต็มภูมิข้าจึงยืนยนว่านับถือในสัญญาอย่ายง เช่คอืนขาขับกจมองนี้เคุณพราธรประสงค์นัน่นของเาจ้ามืก้าวค้ามชัดนี่เพราพราะคนสวัสดดีต้องไม่แกลเราเตียนชัดว่าเค่น่ะมุตเตเตใช้บ้างข้างตั้งยืนดันเองวะยังกินจีรัฒน์ล้อเก๋วิชาตีวิธทางภูตัวรักษณะภูตตัสมานมาตรักษาสวีันธ์เเตรักษณะอะไรในโลกนี้จะเจอมือว้เขาคุณพระธรรมประสงค์เกิดบ่เลย โดยการคำสัตยนี่เราความสวัสดีตงนีแกเราันี่ยเป็นามอธิษฐานเราเป็นความสมาทานของเราเนี่นลี้จับจมูกมันก็คือารประสงค์ผลมุ้งมิเลยโดยการคำสัตยนี่เรความสวัสดีตงนีแกเราันี่ยเป็นาอธิษฐานเาเป็นความสมาทานของเราแล้วกตัวกุศตนั่ง ยาอันนี้ในโลกนี้พระทรัพยพรพุทธระธรรมพระสงค์ยาพระพูทธพระธรรมประสงค์สามารถํารั ก, กิเลสแถวเบาลงและเกิดแห้งหายไปได้ขั้นาขั้นดาด้อย่าพ่ายออกเป็นเปนเรื่องหนึงรักษาห่ากกายรักษากิเลสรักษาโรคพ่ายออกยา่ายได้รักษากิเลสเพื่อพรพุทพระธรรมพระสงค์ท่านทิพภาวนาเพื่อภาภัยกิเลสก็เริ่ขค้นกาเริ่เกิดก็เริ่มกเมกิด วันเห็นวันเห็งหายไปข้าาปทธวัติเสด็จมาเรียกว่าเกิดมาสะสมกิเลสหรืาว่าเขาพักกิเลสหรอว่าเรียกมุ่งหาว่าสาสักจะของว่าออกมันออกนี้ จะเามาสะสมยาพิษนนล้วนเบีอดเบียนจะพลอง น, นีอ้ยซื้อส้นนี้มาให้คนขึ้นมาหรือบอกให้มาว่านไ่พรุ่งนี้ น, น, น, นี่ส้นประจานที่ใส่เพมานี่ง่หนึ่งระบายระบายะบา ย, ะบายมาหันมาแต่อ่านได้หรครับมองเห็มาล้วนด้ ไม่ได้อาเนี่ยวางกุมารู้สิฮะเขาเนี่ยดอกพันเนี่ยเอาทั้งเรืองยักันดอกพันเนี่ยแจกไปก็ล้วกันดอกพันนุ่มนี่เ เยวาอ่านละ่านอ่านผมทมพอเอาอีกเอาอนั้นื้อในาเน่ไมเป็นของชานะของภาเนี่ครับผมอย่านู้อมันเลีมยงง่ด้กับอ่านดอกไฟมันถึงแบบแบบกรองอ้ออานดูานัูบแม่งจะกจะไต่แม่งจะแก้จะไต่อ่าโอ้โหโอ้โ ตัวทัวทุตัวทัวทุ็ตัวันตวทุตัวทันวกตัวทัวทุตัวัวัตัวัวทตัวัวตัวัวกก โซโลมเลอุจไม่ั้งเยากชม้อตงตามาดยจกัะังออกหนะ เราเข้เยอะด้วยะออกเปลี่ยนเรามุ่งจะทำดีจะสืบความดีแต่ว่าจะเสงไปผิดกับคนชั่วคนดีเขาสืบโลกไปไม่ได้สืบธําไปไม่เพ็นก็ต้องมีชิ้นห้าวริเบูลมีชิ้นห้าวริเบูลก็บางบาไปละ อ๋อไปตบมันทำไมมันขอกินมันขอกินเราโมกกว่ามันเราก็เข้ามุ่งใช่ไหล็อกล็อกงูป่ามอะตบนน่เยวๆเอ้าวฝอยอะไรมาลงมาอยาเธ อ, อ, อไปสัเธอไปสักนี่ มันก็เบนมาใกล้ๆนะขอบ้างข้อบ้างข้อบางกันน่ะมันก็บอกข้อบางขอบางแล้ว mm hmm. ออลองมาแล้วก็เข้ามุ่งซะเวลาเข้ามุ่งปดมุ่งลงแล้วปดมุ่งลงแล้วช่างนึงก็จับไว้อะแล้วไ mm hmm. ล่ออกซะก่อนนะจับ่าไรนี่ก็ไล่ mm hmm. มันไปอย่างนี้ ไม่ไปอย่างนี้ไม่ได้ไปอย่างนี้นก็ไม่ ไ, ไปแล้วแล้วอันทั้งมาไม่ไม่ดีนะขาดตัวอย่างนี้ก็ขาดตัวตัวมันขาดเลยอันนี้ได้เนี่ยมั น, นมันไม่ละเอียดมันทั้งมามไม่ยากหรอกลุงดะยากทํำไมเขามุ่งแล้วมันก็หมดเรื่องกันเราอยู่อย่างนี้มันก็ไมมาหรอกหรืออยู่ในเมืองมันไม่มาก อยู่ในเมืองอย่างนี้มันมาเลยมัน ม, มาจากข้าง่อกถนนเพราะน้ามากน้าคำมันไม่มากหน้าเพรเขาเทเทตงไหงใส่ท่องร่องมันไม่ไหลที่มันขังอยู่ใช่ไหมเออมันขังอยู่ข้อบ้างข้อบ้างข้อบ้างมาเนี่ยข้อบ้างข้อบ้างกัะกับเร อย่างนี้หรือ <c oughs> เออออกลักษณะวนวของแข็งแยกออกเป็นธาตุ ด, ดินซะมีผมขนและฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกเยอเนี่นกระดูกว่าหัวใจรับผ้าฝืดไตปอดไตให่หน่อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุดินอ๋อยนี่สักกองหนึ่งซะ ถาดน้าดีเสรดน้องเลือดเงือมันพ่นน้ำตาเผยมันน้าลายน้ำมูกน้ำไข้คอน้ำมูกนองวานี่เป็นถาดน้ำไฟเทียงกายอวนไฟเทียงกายสุโตมไฟเทียงกายโอนควายไฟเทียยออนนิ่งหันนิ่ย่อยอันนี้เป็นจากไฟลมพัดขึ้นลมโบนลมพัดลงลมต่ำลมใน่องลมในเส้นลมพัดไปรอบตัวลมหัใจเข้าลมพัดใจออกนี่ขยายอ๋อว่าเป็นถาดลมนะนี่กับถาดดินนี่กับถาดน้นี่กับถาดไฟนี่กับถาดลม เาเขาสั้งทุกคนเนี่ยใครหันมีแต่ินน้ำไฟลมเนี้ยโอ้โหน้ำดินเป็นแต่ซักวัดดินน้ำเนแะสักว่าน้ำไฟเป็นแต่ซักว่าไฟลมเป็นแต่ซักว่าลมถามมันยับมันสมุนว่ามันเล่าว่ามันเขาว่ามันสัดว่ามันมุ่ง คู้กว่าไฟเป็นสักผููกผู้ลว่าร่มเป็นสักผู้หลูกตกหลงผู้ลูกกลบว่ามันับว่มันบุกคลดินกล่าวว่ามันซับว่ามันบุกคนน้ำบว่ามันซับบุกคนไฟกล่วว่มันซับเป็นบุกคนร่มงาับมันบุกคลเป็นแต่สักวาลูกเฉอๆเป็นแค่สักผ่าเห็นเืยอจิตกับเป็นแค่สักราจิตเล่าบาจิตจิตบอมันเล่าเราบอกดาจเถือนว่าจิตเป็นเล่าเราบอกว่าตเถือว่าเล่าเป็นจิตเลาบอกว่าจดเถือว่าผู้ลูกเป็นเล่าเ่าบอกว่าจิตเถางอนว่าเล่าเป็ติ เต็มอายุยี่ห้อสมุดนี่มุดกยุยพ่อยี่หมอก็ไม่เคอได้ไปเป็นต้องข้ามกันให้อันที่สมมุติเราเล่ากัอยู่สมมุติพ่อเราเล่าะอันว่าสมุิอันอันเป็นปรามัดอันว่าไม่เล่าก็อยู่อันพ่อไม่เล่าซะกเลยตร้องไเยไฟมั่นเกยุมันเครือดินเคือน้ำเคื่อไฟยคือลมสิ้แล้วมันเกยุร้อกันทุ่มก็อยู่ข้อระเบสับุมหนมันเป็นปัญหากันเลยแนต่ว้ากีเดีบเท่าไม่หลายค้งมันเกี่ยวไปปัญหาเลยปัญหาของ ตัไปเจืออกเขาตัวพีทคุกตัวเขาตล่างทองเสียงนั่นเขาพงชักเขียงนี่แข็งแน่นหมน้องสันอรรว่ากระจายในตัวหั่นเองอืมต้นโตราส่างตดคงีัมอัน่เโดเขาจะกระโดดเลยนีตัวชตามันมดง้ออเ่ยนใจ่ะเยนมันอยู่ตไปเป็นรจาระสมาธิอ่านาจาระสมาธิแล้วมันค่ะ ไม่เป็นกูเป็นมหาคุณสนเนี่ะมหากุณสนนะศรัทธาจริตเนี่ะเออเป็นเป็นแก้ือเขาปนระดมันเป็นกระดน่งมันสองมหม่นมันยัต้องมาหาอตายสองสี่กวดอกมันเห็นนะครับไม่เห็นนะครับมันก็ดีล่ะมันออกไปมันออกจากไปจากกรรมฐานเดิมแต่มันหาไม่ขอวัดของมันอยู่มันไปมันกับพระุทธรมันออกจาบุญกับพบุทธรูนี่ก็ตกันะ ผมสอนปีอ่นะสัญาันอกมันก็กาลังกะสอนมาคือกหลอกบุาสตาสที่อะนเป็นอนณตตาธรรมเป็นอนณตตาธรรมอันว่าเกิดวัดับคุณพระคพระธรรมประสงค์อันที่เข้าไปอย่างท่านเป็นเป็นอานิจังเป็นวิญญาณนั่งอานิจังวิญญาทั้งไปายเองเข้าไปเห็นพระคุณพระธรประสงค์อพรพระธรประสงค์อมัน่มัน่มันสังขารหันสังขารเนี่ธรรมอันว่าเกิดวัดับเนี่ยคุณพระคพระสงค์เข้าใจบรอ่า เอาเร <sorta> ื่องใคนมาดทำประสงค์อันนั <S <S ้นม so okay. ันเนของเกิดของดับเลยอันมันของจริงด้วยอันคนมาพูดทประสงค์อะวัน่อนเสองสามเหมือ้มากมากท่แต่งากทีก่อนเป็นดยแตม่ยอไปไ้เลยยะมัน็อกมันไอ่ไม่ไปกับไปพุทธธามันมันก็บไปสมธามันไปโดนมากมันก็คอยมากขึ้นอันนันอะาแต่แต่มันอยู่แต่ร่างกายล รัวๆมันกับวิญญาเด้ขับออไปไปยาหวานครืองวัสกวแหวนละพอาฉยมักินจะบรรค์าแล้รมันกับวิญญาะมันไปกินที่่ันไม่มันไปกินเขาเขากับยาหวามันเหรอเพรสิไมันอยู่วัถุมันกับวอญญาณเลยยามันมันไปไม่ประโยชน์มันไปเป็นโทษจะใครหามมันมันไปไม่ประโยชน์ดีกมันไปเห็นเ่าคุณพระธรรมพระสง์มันก็เพิ่มความชักขาเขามันเขินเลยท่ว่างไดยมันพยายจะายออก แต่ก็อรก้อนเนี่ยทำถึงว่าการลงทุนจะเป็นท่วงหลุเงีเนี่ยอย่าแย่เขาบริษัทไประยะหลังลุงชัวว่าจะถูกข้อคกับกับครับเนี่ยเนเ่ป็นรื่องเาะทางเฉพะที่แบบยงเบาบางบางคนจนข้าจะมีขึ้นข่าแล้วข้าแล้วการแข่งขันจะจะชนะจะมีแต่จะเบาบางไปเลยอืมก้อนเนี่ยจะแจกให้ดูในน้ำลายถึงตัวอืม ในในเราปกข้อปลูกซอกปลกแท้ตนีนแล้วเว้ยะวยนไหยเง่วยที่ยกี่อืมได้ครับอืมอ่ะดเจอดูเขาอว่ามผมเน่ เป็ยู่ไปอันตรายก็อย่ากาวไปไหนน้าคูเออจะพกข้อสอบพกสอกแค่เตียนตั้งห้าทามอันมาเขียนถูกไหวในวัตถสศงสาร์นะเอาเช่นใดขอของคุม่านทั้งคููลูกแกวอยู่กับสนกันท่านแก่พระมนาจารย์ทั่เต่าอันผลควยเต่าเขามาแต่ว่านว่านุยเนีก็พิรานายหน้าอนุโมทนาท้าทุกการซะหน้าก็เลยอนุโมทนาท้าทุกการแทนดินด่านไว้วัน เชียงแส น, นเท่าทังพุ่มนะนามาฮะสมมติขีนนอกฟ้องฟาดแควุฒิเทวรารัดสองสาธุการนะฉันดินดานก็ไว้วัน น, น, น, ะ, ะ, น ะ, ะ, ะ, ะนั้ น, นพระปาทธรานพุทธเจ้ามูเฮ้าวันในปาทธราปานนั่นวันในลทุ่น่านนั้นรอมูเฮาเอ๋อเฮ้าปาทธรา้างวัตพุมม่มด้วยคนทุกไปซื้ออันนั้นปัรารพุทธเจ้าโลกทุ้นห ล, ลายผู้โลทุนปัทราพุทธเจ้ากับทอภูเขาหิมะไร ร่มทุนปาชนะเป็นสาวกสาวไอ้สามกท่าแมท่านประกาศก่าใครกันนะโขห้าวหรอขาดหรอพวกทีะเกี่ยวไว้ถไว้ตักทาบไว้ไว้หรอป่าชนะผลถุกยถึงคนิ่า่ะรถาตร์กันเดียวกันดูรถศาสคอนิี่ารถาสร้มาเกิดแก้จะตลายกันเดียวกันดูเก่าอันนี้แล้วเอาเป็นสาวกในเขาละ ข้อน้องหันเนาะยาคาวาดีว่าหาบุราบุบเสากาลวเยีกตัวเป็นตัวต่างัวปะกบดมีสาจุาตวป็นตัพเรีากับผ่ากันตัวบราบเวเรีกวาเดี๋ยเาเดีรัที่องอยู่อาศัยน่มตั่กัวที่ตที่าว่ิที่งตัวาบ่ั ชายกับหญิเป็นผู้ชายกุ้มาดีเป็นผู้หญิงกาเป็นผู้ใหยข้อพันไดกหน่อยมากทกันข้ามาจ่าได้หน่อยผู้เท่าข้มาจาผู้ล้มไล่ะตายข้มาจากเกิดท่น เห็่นมาพูดยังไงมาถึงแต่ว่าเห็ุเกิดกันอะไอยังไงกับ่มบงเหตุกันเหรอวะเนตุการณ์ว่าเออเออเหตุกาลณ์นะเหตุการณ์กันนักขันกราลงกระถาบีแต่แนวบรมันมาเทียง ไม่ใช่แนวผู้แนวพังหมดไม่ใช่แนวแต่แป่ผลนี่แตกสลายหมดแตกสลายหมดสิงที่จิงถ้าทัางหลายเกิดขึ้นได้แป่ปวนี่แตกสลายหาระหว่างไม่ได้เกิดขึ้นทาระหว่างไม่ได้แต่ผลทางระหว่างไม่ได้แตกสลายทาระหว่างไม่ได้พวบแก้ห้าวกับทางระหว่างว่าไม่ได้ได้เนีไงควบแปรปวนองห้าวกับทาระหว่างว่าไม่ได้ ทั้งหลายคือกันโลกอเนจังโลกทุกขังโลกอ น, นาาัตตาถึงไหนทีเกิดขึ้ น, านจากปนะภูนจะหายถึงนั้นก็เป็นโลกและก็ต้องแปรปรวนถึงนั้นก็ต้องแตกสลายอะก็คือสังขาร น, นั่นเอง ทัพโลกทั้งปวงรอลงมาในสังขารโลกสังขารโลกไม่หนาที่เกิดขึ้นไปแปลวนนั่นแต่สลายที่เป็นรูปกระซ้างที่เป็นนามกระตามที่เป็นรูกป ก, ก็ไม่สีดินน้ํามไฟลงผสมกันเป็นกายเดียวกับรูปที่เป็นนามก็ไมเทศนาทัญญาสังขารเวยียนญาเกิดขึ้นแล้วแปลปวนแล้วสลายเหมือนกันท้าระหว่างไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นละเอียดก็แปลปวนละเอียดดับไปละเอียดเช่นนึกคิดเป็นตน พอเรานึกแล้วเขาพูดพอพูดแล้วก็หมดไปเป็นคำคำแล้วก็พูดอีกแล้วกขาแปรอีกแล้วก็ดับไปอีกเป็นคำคำนึกคิดของมือนกันนึกคิดติดต่อกันเป็นพืชเมื่อติดต่อกันเป็นพืชก็แปลพวนเป็นพืชก็ดับไปเป็นพืชท้าระหว่างไม่ได้ใช่ไหมว่าเขาแพ้ด้วยริบเพิงพนี่ภาพกาไปเรีนโบกเรยนเบี้ยเรียบ้านเรีย น, บนเยนบือ มันชิบหายวาวอดวดคนที stories, <pf unlikely> 對對่อังคดท้านทั้มาหาเลี้ยงชีวในทังที่สอบคิดใจทั้งพ่พุพระธรรมประสงค์อยู่เมืองลึกได้พือึกได้ก็ดีขอลูกขาดรองขาดถึ้งว่าพุทพระธรรมประสงค์อยู่ตรงเมือบ่มีะม่านอธิษฐานว้อยางสั่นตั้งสัตไว้อยงสั่นขอเป็นขาดเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่งเมืองบ่มีพมานขอทูนถวายสักคนละกายว่าใจใจ หาพกคุณพรม ป, ประสงขี่รถเหยืรถเหยียบย่าชนลไ่นมกใส่ยุทเงเราะมีพระมานพอทุกนาว่าถ้าท้องสารยุทธเมืองขลงันนั่นน่ผีกับกระไก่ผ่ากับกระไก่โจนกับกระไก่ห ม, มอบกายชาวเชียงันโจนมากกับผายวัดผีมากกับยาดกันพอใจเฮานี่มอบใจพวกขามีาได้มักขี่รถเหยื่รถ ถ้าร่าย้มกใส้อะไรสั่ถ้ากดรกายถ้ากดน้ำใจของพูกขาวเนี่ยถึงพระพุทธพระธรรมมาสงค์ในสมมว่าต่ทุติปฏิถึงสมเที่ยล่ะถึงจะว่ามีประมาณแล้วได้พได้กดีตับจ่าสาวของโจในานหลือ้รถบูชาพระพุทธพระธรรมปสงค์ในสมมเอกว่ามัดฉันละถึงพระท่พระธรรมย่าเอาพระพุทธพระธรรมมาสงค์เป็นศาลาหัเด็นที่เพิงหรื่าอ่อนอนเก็บป่วยมากจะไปรักสุขินยา เดียงพยาบาลหายก็หายว่หายกิจะาวนหาพุทธโทษตายมาสั่นเนี้ใจบหันว่าเอาลัที่อื่นมาว่าซื้อเหลืกที่งามดีมาสั่นน้ยเหลอได้ก็ดมดงามได้ก็ดมดกรเทาเห็ดดีแล้วเห็ดสัวเหลือได้กระสัวงามได้กระสัวพุทธกระเาสัวแล้วไปซื้อเหลือซื้องามแล้วไซื้อสากระตาอื่นอกมาวท้องมันี่คนวัใจเลย ลองสักอืมตามว่าทำไมถึงตามว่าสะดวกมันก <c oughs> ำลังเหี่วยวเหรอเหี่ยวเหี่ยก็ลองปวดแล้วปวดเหรอได้กินได้เล่นสบายมันก็สบายตอนเล็กหน่อยซ้ำนี่รองมันจะขลาดตกลงพน ชนะเลือื่นของเราไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นเป็นชนะเลืของเราลักษณะอันใดในโรงนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นมาไม่เลยนับกธิเบตแสดงกันอย่างชนะเลือื่นของเราไม่มีพราะพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นเป็นชนะเลืของเราด้วยความกล่าวแบบนี้เพความสวัสดีจงมีแก่เราอยู่ทุกเมื่อ ไมักไปเรียน เ, เรียกเร็นพลาเรนบัตรเลนเบอร์เรีนภาคการไม่ศีลไม่ธรรมเป็นเครื่องดูตามเสตจคำลัง่งจะไปคบวบเมตซัยจะไปกินเหล่าจะไปเม้ายาจะไปเรีนโบก เ, เ, เรียนเบียรเรียนบัตรเลีนเบอร์เรีนที่จุกการพักนั่งทุกชนิดจะไปเห็ดจะพักลับประโลละเมิดชื้อพายไวบอเชื้อซับเชื้อศีลภา น, า, นาโคตรเไปทางไหน สมมอสังฆ้อเขายังตกรอะไรค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นแร่เนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเเป็นอาหารขาใก่ขายก็จะไปเห็ดเนาะวจเิศหมูก็จะไปเหดขาหมูบ่ขาเอาห้อขายอนขายเนื้อมันบ่บ้านเ่งกไปบอกเขาได้ห่อจะไปบอกเขาขา เสีเอาท่านั่เนเสียเอาท่านนี้เหรอจาเอาไว้ให้ได้ไหนเนี่เสีเอาท่านกินรีวกินเล่าาเกกเเเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อ, อ, อ, อ่่อ่่่่่่่่่่เ่่่่่่่บ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เอาท่านกี่รอบเอาท่านีกี่เล่ลจะจัไปวา่าลย่างทะเลกัเอาบ่ย่งกับเอาจะเป็นหัวภูเขามาสั่นบ่ขนบาปเด้ใกลมันเท่ากันเอาใกลานานโตท่านี้โตขามาให้ได้สัน่ไวไนวาบอไไรคั่วมาให้แล้อะไร ไ, ไปสือท่านกับท่านมาท่านกับ่เอาจะสั่นจังบ่บาปมาสั่นกับเอ๋ถือบาปแหละเกิดสั่นเาแท้าข้ออีดอีดอ่ออะสั่นก็ปาดค้อส่ถวยละเพไหนไหชีวะบ่บอก ข้าขายเัรื่องฟหานข้าขายจับเป็นเรื่องสาเสพตัวฆ่าเพืเป็นอาหารลูกปืนมันจะได้ลูกละถ้าได้กระซ้างหอกดาบขาสําหรับขาคนสำหรับทํบ ำ, ำลายคนมันคือได้ล่านนึ่งกระร้างกจะไปเอาชิบหายมกบกเจริญข้าขายเัรื่องฟาหานข้าขายมนุษย์ไปหลอผู้หญิงมาขายใคจะไปรอกด้อะหลอกผู้ชายมาขายใคจะไปรอกชิบหายเนี่ยไงข้าขายจับเป็นเรื่องสารตัวฆ่าไปื่อเป็นอาาร้าขายน้าเมา เราก็จะไปะขายที่ได้ควราลาล่านบานก็จะขายยาพิษที่เขาไปขาสัตก็กจะประคาก็เปขายที่เขาไปใส้พักนั่นแหละเพราะพุทธศา ส, าสา น, น, นสาสอนทน้งสัตว์จะเลิ่เหรงคูณได้เห็นไหมครับเมื่อตัไปฝากข้อให้เกิดวาสัตวราฝกข้อโต้ตนนามมากันเราเราัวตก็ไป มันก็มาตายฮะ้น่ยมูโตะไปข่ามูสาารุ่นมากมันกับมาเป็นคนมันก็มาข่ามูโตะมูโตไปข่าไกล้ส่ารุ่นมามันมากเป็นคนมันก็มาตัวกับมูโตเป็นใกล้มันก็บาดค้อตัวเนี่ยราคาหอยสาบเหนนี่ยราคาหอยสาบหสาบขมูโตยจ้ประเทโมฮีดเห็ดตัวขันพระเห็ดหเห็ดเท่าฮะแนวอึะฮะ เน่ค่ะขาูเลยขาเบได้เข่าบาดได้อเขาเ้าเ้าเขาเห็ดเจังเห็ดได้เข่าเจ้าเข่าเขาก็ได้แตว่าเขาพีเนไงโอ้มันแห้งมันแหงสีเิบอย่างดูสบายเเช้าด้วยก็ไปเห็ดลูกได้แล้นเลยบาดจะแผลบาดมันจะโตใช่ไหมคับโตจากเขานี้เนี่ยฮ เอาชีวิตพึ่งหน้าเป็นชีวิตโต้องยึดุ้องยึตงกึ้งตะกี้ล็อปูขาขาขนกันแล้วเกียบอย่างนี้ล็อปูเศ้าแล้วเว็ดไกังมดล็อปูขขาเลยล้อกปูมาบวชเศ้าเล็อกปูขาเศ้าะไรเนยอายุสามสิบล็อปูเศ้าขาสัสเลมูโทยังหเศ้านียูโทเศ้า ลุกไ่นั่นแหละขามูขายขายแต่บอกเขาขามันจะทำนอกมันนะครับเสือหมูมาตาขาอย่างนั้น ถ้าหม้าไม่ขาถ้าเขาหางอยู่ในอยู่ในในในในุแต่ว่าเขาอยู่ในในในแผนห้องห้ามวันพวกกันอุ้ยหนูเ็กล้องให้แล้วนี่ทีแกก็แ้น้องตามันจาเต็มนะค้ายออกมัดลนาดผ่านอื่นเนี่ยเผาเลยมันเดื่อนี้รูปบ้านมันก็ฟงแผ่นไม่หรอกางจริบากแน่เลยถามว่ากันเป็นมูแตนนอเป็นยงไงนะเลยทำานราชารในขันรูปการฮะเลยานราชกา มันอยู่โตแล้วนะแล้วามหัวสาวเลยใช้งานอื่นมันคือปกติเือระต้มามมากซื้อมาซ่อมมาก็รับซื้อของเขาไปขายเลยเพะไดก็เพราะเาวกผุมร้ายนะนะซื้อขึ้นเขาเขาก็บาีมันแบบว่าเขาขายเขาอะเต็มเต่านี้เขาขายเงียงไปเพราะเขาขายคักขาอันเงาอื่นหดขายไปแล้วเอื่นทว่เต่าหลวตาแบบว่าเขาขายใบกอนอ่ะมันมันดีไปนล้วถ้าเทาเขาไปแล้วำเาท่านเรา พางงพางหมูเขาเข่ากับข้า้งข้าวมันจะเคี่ยวมั้งโมงาแข็งงานใช้งานางนั่นื่อว่าจังเดือนในึ่งสลับออกไล้วจะเคี่ยังไงเคี่ยวกั บ, บ, บ, บ, บ, บ, บโมโมีกินน่าโอยไปถูบกำเนิลูกเลยตาบา้าที่ยวตั้งไมกับการใดขั้นตอนนเดือนเท่า้โอ้ยคนสิเหีงลูกไงไอ้หน้าไงตายจากพันธุ์โ่คนลูกเข้าไม่พูดหนึง่งเข้าไปให้หายอยู่มันมันไปเลี้ยงหมูขาย โอ้ยบ่ได้ลูกเออเข้าซาสันบักน้อยอ่ะเข้าซาสันเรื่องมูสเชลลิเย่สิบสามสิบปอร์มาสุนนายดีๆกับผมเราว่ามูนี่ยละนอนขาอ่อนเดี๋ยวนั่นขาอ่อมาแขงกินนะหลับสงคนเลยนะฮามันนู้นเวลาเกินมากเป็นหฮามันนู้นนะจักเยอะนี่ไงันเถอดเขาว่าเอาที่สุริ เ, เกิดมา อ, า ก, อากหาคนทานชโงตามาเศ้าอะไรกันี้<ฮ>ไนยไม่เงียดีนำด้ำหนกเศา้าคนคนไดเศา้าใะ่เา้าฟ้าเศ้าว่าอะไรสต่เปเข้ามาหามเข้<ฮ>าฝันบัสไม่เกเข้าไปอนุโมทนาเราเข้ากับบาันเข้าต้องหามเดั่งเรื่องมาโอย เดี๋ยวต้างนาตักงาว่าต้องข้นจะเป็นไหมูไข้เหม็นขามูขามเหม็นเออมาจากไรดีขหน้่อแล้วก็บทะมนอหม้อสามสิบรปแล้วก็สาเออไข่ก็รกแล้วก็สาดีมากแล้วก็สาใช้หมูไข้เหม็นจะเป็ายขโราเนี่ย ขาไต่ปาข้อขายก็จะขายเห็นเจ้าคุได้เห็นอะเห็นเจ้าขายเหล่าก็จะไปขายมัดขายนํป่าขายควนถินออกกระบามต้งเขาจำตขาเค่องประหารเครือหาประหารตาอาวุฒิเพราะเพราะค่ขาขาายเครื่องก่อสร้างแมงมุมขาขายซัดเป็นได้เนื้อซัดที่ตขาเพเป็นหนาขายปูขายป่าขายเพชรายไตเป็นต้นเป็นตัวเขาแต่ขา ขายงอขายแควเข้าไปทานก็เพี้ยนแล้วไปขายได้มือหน้าราดก็จะเอาข้าอบันเท่ากระชามภาษาผู้เ่าวนี่มันจะไปฟูเลือได้ไง